أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل صلاة وسلام ا ل على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى عليه وصحبه و م ن تبعهم بإحسان إلىهم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ك و ن ا ت ي قتير بوم لقبي نونغ تطان نا كابوا في ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วง ขัวกะทิของเวลาสิบวันอันประเสริฐจะเข้าสู่วาระที่ค่อนข้างมีความสำคัญในความสำนึกของผู้ศรัทธาทุกคนจึงขอให้พวกเราได้รวบรวมพลังอีมานของพวกเราทุกคนและแสดงการสวามิภักดิ์ต่อน l l a สุบ b า a n a h u wa t a ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องการทำอิบัต์ที่แสดงความสุดใจกับล็อสุภาณหัวตาลชีวิตของเรามีไม่นานนะครับโอกาสน้อย ที่เราจะทาอะไรแสดงอะไรออกมาเพื่อยืนยันในความเป็นเบาของเรา سبحانه และ تعالى เรื่องนี้เราต้องนึกถึงเสมอวันอัอฟะละกวันอีดที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรียกวันนอัลกุรอาน يوم الحج الأكبر بنون الحج ينعي، ซ ن ่ง ي ะถือว่วัน حج تيين ي ่ ي م ا ญ่،แมาหรับคนที่กำลังประกอบิธี حج หรือคนที่ไม่ได้ท ح ج و أ ذ ا ن م ن ا ل ل ه ا و ر س و ل ه إ ل ى ا ل ن ا س ي و م ا ل ح ج ا ل أ ك ب ر لما أدي بقول يوم الحج ا ل ك ب ر ن ذي السب ح ج ه ك هو ون ون إذن إ ي ع رفادي 9 ن سب ك هو ون إذن إذ أضحى. เป็นอีกฉายาหนึงที่คนส่วนมากในประชอิสลามเนี่ยไม่ค่อยรู้อีกยนึงอีกนแลคว่าใหญ่นี่ก็น่าจะมาจากอันเนี้ยเนี่ย أضحى. عيد الأضحى عيد الأضحى عيد ر ب ة ا ي د يعني ما ج ن ن ا ي ها كما جن شيء ي ن ي دي الله بقول يوم الحج الأكبر الأكبر ي ا ق و ا لانجوا تقول يق ا ي شيء ويا ي ق و ا تنجيق ع ي د ا ل ف ط ر و ا ي د ههه ي ن م ة م ي ب ر و ميدا ميدا براو نتكلم إدلت إيجاي ميمين لا عربي ميمين أيد صغيرة أ د كبيرة يعني رأي هاي دل فيدنا كذا رأي إدلتني م ي م ي ن يعني براو، 但คงเข้าใจกันมาว่าในเมื่อใช่คุณอาจใช้คำว่า ك ب ر يوم ون الحج ก็คือ ون ون ح ج ي อัลเอกบร์ที่ใหญ่กว่าที่ยิ่งใหญ่คืออย่านี้อักบร์เนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกวันรวมถึงวันที่หนึ่งชาววัก็คือวันไหดุลเฟตที่เราอุปโลกชื่อขึ้นมาเนี่ยก็ว่าอิดล็กทั้งดั้งดีในหลักศาสนาไม่มีนะแต่ก็ไม่ผิดนะแต่ที่ผมใช้คําว่าอุปโลกนี่ก็หมายถึงว่า มันอาจจะเป็นความเข้าใจเองและมันในเชิงเปรียบเทียบอาจจะทำให้เข้าใจว่าอีฐเล็กนั้นนะไม่ค่อยสำคัญมากนะักแต่ม่สำคัญเนื่องจากว่าเราพอได้เรียกหให้ใช้ยาวานี่มีอีเล็กอีกใหญ่ซึ่งคำว่าใหญ่เนี่ยใน ยวมิลฮัจจิลอัคบรเนี่ยอัลลาไม่ได้มีเจธนาที่จะให้เราได้มองไอุ้ลฟิตรนี้ว่าเล็กกว่าหรือไม่สําคัญแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากว่าเราจะต้องเชื่อว่าทั้งสองอีนเนี่ยเป็นสองวันสําคัญที่สุดในอิสลาม และก็เป็นสองวันที่สาคัญที่สุดในตลอดปีเนี่ยสามห้ากว่าวันตามจันทคติก็ถือว่าเป็นสองวันที่สำคัญที่สุดเป็นวันเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกใหญ่นั้นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดและถ้าเป็นวันที่สำคัญที่สุด ในปีอันนี้แค่สกิดใจตัวผมแล้วกับพี่น้องให้สำนึกแค่เนี้ยว่าเนี้ยวันสำคัญที่สุดในปีนะตลอดปีนะสนะองร้ ก, ก 2, 3, ว, ว่วันนั่นนะอีกสองวันละอีกสองสามวันละคือวันที่สำคัญที่สุดซึ่งจะต่างกับคนที่อาจจะไม่มีความสำนึกในด้านนี้ว่า ในปีนี้วันสำคัญที่สุดสำหรับเข้านี้ก็วันเกิดมวันเกิดของตัวเองวันเกิดของสุดที่รักวันเกิดของคนอื่ น, นก็นแลแด่แต่สำหรับมุสลิมอะไรจะสำคัญกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ามันสาคัญสถานที่อะไรจะสำคัญกว่า สถานที่ที่เราบอกว่าสถานที่นั้นนะสำคัญกว่าเวลาอะไรจะสำคัญกว่าที่เรากว่าเวลานั้นนะ่ะสำคัญที่สุดแล้วเราก็จะต้องเอามาจดจดจำไว้จารึกไว้ว่าสิ่งที่เราบอกว่ามันสำคัญมันก็ย่อมส ำ, สำคัญสำหรับเราสำหรับผู้ศรัทธานะทำอะไรอะ่ะเนี่ย ن ؤ ي القرآن الله هو وسابق إلى مغفرة من ربكم وجنة. والقادة ين แข ن كن، كن،, كن. كن, كن. كن, كن س و ّ ا م أبدية تود، จาก الله، จาก ب ا ر ك ه ل ك ون แข ن كن ในการ ت ج ا ر ع و ي هو ن ة س و ا عمر من الخطاب هو، ن จะแข่งกับอูบักจะคอยดูเอาเขาไปทำอะไรหนิจึก็จะพยายามจะทำดีกว่าแต่ไม่เคยชนะเสียทีอุลามาก็มักจะยกตัวอย่างในการแข่งขันระหว่างอุมมรุนกัอบอบับดุลบักรครั้งหนึ่งท่านนาบีเรียกร้องให้บริจาคอมมารบอกว่าขราวนี้แหละฉันจะนจะแข่งอูบักเอาเอ า, เอาชนะให้ได้ ก็เลยไปเอาทรัพย์สินของเขาครึ่งหนึ่งครึ่งทรัพย์สินสน่วนยมีอยู่สองแสนเนี่ยเอามาแสนหนึ่งแล้วก็มาถวายท่านท่านน บ, บีน บ, บีทางอมอรนมน์นี่นี่อะเาบกว่าครึ่งทรัพย์สินที่ข้าพเจ้ามีเนี่ยอีกหน่อยหนึ่งเอาบัตรกรก๊ยกกระสอบมาแล้วก็มาถวายท่านน บ, บี ท่บีดาวบกกีอะไรอกว่าแม่นีทัสันทั้งหมดเลยก็ไม่มีอะไรเหลือที่บ้านก็ไม่มีไม่ได้ทิ้งฝากอะไรไว้ให้ให้ครอบครัวเลยหรือแม้แต่ต ت ักแต่ละมีทิ้งอะไรเขบ้างอะว่าตตุหมุลลสูละ สิ่งที่ฝากไว้กับเขานี่ก็นาระซูลเพียงพอแล้วเาพอเราพอพอไทยนมีพอใจแล้วนะพอแล้วอุมรบอกว่าละจรมแน่แทะละอุาบิุเมีฟชออแน่แทะข้าพเจ้าต่อจากนี้นี่จะไม่แข่งกับท่านอีกแล้วทาไมไม่มีประโยชน์ ลามาก็จะยกตัวอย่างเนี่ยในเรื่องการแข่งขันนะเราจะดูใครที่ขยันนะเราก็ทำดีกว่าเขานี่เป็นเรื่องที่ดีใครแข่งขันกันในเรื่องดีแต่น้อยอุลมาน้อยคนนะครับที่จะบอกว่าแลวเคยคิดกันไหมว่าและอับดุลเบบก์เนี่ยแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเอง ถึงแม้ว่าวัคคุณจะเป็นคนที่ถ่มตนแน่นอนนะแต่วัคคุณจะที่ที่ท่านสามารถเอาทรัพย์สินของทั้งหมดที่มาถวายนี่ก็แสดงว่าท่านเนี่ยไม่ได้มอง้วว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะทำอะไรแค่ไหนแล้วเขาจะทำมากกว่าไม่เขาจะมองถึงตัวเองอะไรที่สามารถทำได้ที่สุดนะให้ทาเนี่ยแข่งกับตัวเอง แข่งขันตัวเองซึ่งการแข่งขันกับตัวเองเนี่ยที่เราเรียกกันว่าการเสียสละและการเสียสละนี่ก็คือชื่อที่เหมาะที่สุดฉายาที่เหมาะที่สุดก็ช อ, อีดุลอัฎา فقال أضحى أ ض ح ي ه أضحية نمت ت ض ح ي ه ت ض ح ي ا نبي وسيلة ما وسيلة. ความหวนี้ก็คือสุดยอดของการเสียสละ伊斯마อิลเสีย เ, เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยให้บิดายืนยันในการสวามิภักดิ์สุดใจคัอบอัลลอฮ์อิบราฮิมไม่ลังเลท่า น, นอิบราฮิมไม่ลังเลที่จะเสียสละ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขายามวัยชราแล้วไม่มีอะไรสำคัญกว่าการที่มีลูกใครๆก็รู้เรื่องนี้พอเสียสละแล้วเนยอัลลอฮ์ก็ให้การเชือดกุลบานเนทษแทนการเสียสละของทจานบีบราฮิมและให้ มวลผู้ศรัทธาทุกะทุกยุคทุกสมัยนี่แหละได้เชิดกุรบาตเพื่อรำลึกและทําอะไรเยิ่งยิ่งท่านเบบีบรหีมก็คือเรื่องเสียสละแต่ในขณะที่เรากําลังเชิดกุรบาตทั้งๆดีกุรบาตี่นี้ไม่ใช่วาจิมนะแต่ขณะที่เราเชิดกุรบานเนี่ย มันก็มีเรื่องที่เราสามารถจินตนาการกับตัวเองได้ว่าเพราะมันเป็นบทเรียนอุทาหรณ์ไงว่าถ้าเราอยู่ในสภาพของดัช น, นบีบรีมและถูกทดสอบแบบนี้เนี่ยให้เสียลูกให้เสียสละขานาดนั้นน่ะและเราจะเสียสละไหมจะไม่มี มันไม่มีอะไรที่จะสัต์จริงและบริสุทธิ์กว่าที่จะสารภาพะแต่สมมติอัลล์ตั้งตั้งคำถามแล้วก็สั่งเราสมมติสมมติเราทุกคนนี่รับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนเรานี่กาลังอุ้มลูกอยู่ทุกคนนั่งที่นั่งอย่กำลังอุ้มลูกอยู่เราเราสั่งให้เชือดลูก สำหรับผมนะไม่มีอะไรสัจจริงมากกว่าที่สารภาพกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์คราพระเจ้าอีมานยังน้อยดีกว่าจะตอแหลกับตัวเองแล้วก็แล้วก็สมมติฐานว่ามันก็ไม่มีคำสั่งจริงจากอัลลอฮ์ ถึงจะมีละสมมุติฐานก็ตอบไปได้ว่าโอ้ถ้าเลาสั่งให้เชื่อนี่กูเชื่อแน่แต่ถ้าจะจะจริงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะแน่แค่ไหนอะนะลึกๆเนเราอาจจะรู้รูนในลึกๆนี้ว่าเราคงไม่เชืเ่อหรอกขั้นตอนสำคัญเนี่ยในการที่จะในการที่จะ พัฒนาตัวเองแข่งแข่งขันกับตัวเองน่ะที่จะทำอะไรที่ ท, ที่ผมบอกตอนต้นอยู่ทำอะไรที่มันสุดใจอ่ะก็คือสารภาพกับตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนตัวเองอยู่ตรงไหนและต้องทำอะไรจะได้ไปถึงตรงนูน้นแต่ถ้าจะตัวเองหลอกตัวเองว่าตัวเองงูอยู่นู่นแล้วทั้งตัวเองอยู่นูน่น ยูข้างหลังนู่นน่ะการที่เราหลอกตัวเราเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองเลยในสิ่งที่เราจะทำเพื่อ Allah Subhanahu wa Taala ปีนี้เนี่ยก็ไม่มีหจี i เหมือนทุกปีนี้ไม่มีผมนี่รู้สึกนะว่า Allah Subhanahu wa Taala ในหลายสิบปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยผมได้เฝ้าติดตามดูการทำฮจัจีที่มีคนไปหลักล้านทุ่มเงินเป็นแสนบาทนพ่อจะได้ไปทําฮัจเดินทางใช้เวลาหลายสิบวันจะได้ทําฮัจ ท, ทั้งทั้งที่ในหลายสิบปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยประชาชนอิสลาม หรือว่าตัวอิสลามเนี่ยถูกรังแกอย่างรุนแรงมากแต่ไม่พบจำนวนมุสลิมที่เราดมทุนและจำนวนคนหลักล้านเหมือนกิจกรรมหะจีนนกอบกไอิสลามถูกถลม่มมุสลิมถูกถลม่มมุสลิมเขารวมตัวกันได้ไหมหลักล้านเหมือน ไปทำมาดีนี้ยเพื่อจะได้ปกป้องอิสลามอุตรานถูกขู่ว่าจะเผาอะไรมีอะไรเกิดขึ้นไหมในประชาอิสลามท่านนาบีถูกลบลูอย่างเงี้ยประเทศมุสลิมินแดนมุสลิมหลายพื้นที่เนี่ยถูกล้างเผาพันมุสลิมถูกเห็นค่า ซึ่งอัลลอฮฺนอุมรบว่าความศักสิธิ์ของชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยนะัอัลลอฮฺเนี่ยสคัญกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกาบะกาบะที่เราฝ่ฝันทุ่มเทเงินจะได้ไปไปละหมาดที่นั่นไปทำอาจีที่นั่นนั่นนัชีวิตเดียวของมุสลิมนนะ่นนั่นนอัลลอฮฺเนี่ยสาคัญกว่ากาบาะเราดูสิกี่ชีวิตของศรัทธานีที่ถูกละเมิดไป นี่ที่ไม่แทบมีใครคิดว่าจะโยนระเบิดบนกาบ้านนี่เนาะราจะยอมไหมโอ้โหประชาชาติอิสลามอย่คงออกปท้วงกันทั่วโลกอันเนี้ยที่เรามองแล้วก็ลำดับความสําคัญเนี่ยไม่ไม่ตรงกับหลักการผมก็เลยมองว่าเหมือนว่าเราลงโทษไหมลงโทษประชาชาติอิสลามว่าทําหจจีกันเป็นสิบสิบปี และไม่ได้ปกป้องไม่ได้ปกป้องศาสนาของขอ ง, ของข่า้าของอัลลอ์นี่เท่าที่ควรฉะนั้นงดสปีหนึ่งดูสิจะรู้สึกกันยังไงชอบกันหรือเกินไปทำไปทำอุมรอาไปทำพาจีโอ้อวดโอ้ฉันไปทำอุมรา่าทุกปีฉันไปทำฮาทุกปี เรางดนี่กี่เดือนเนี่ยตั้งแต่มกราถึงรกดาเนี่สิ้นจะสิงหาแล้วเนี่ยสิงหา น, น, 8, หนี่เดือนแปดใช่ไหมเดือนเจ็ดแล้วครึ่งปีโควิดตั้งแต่มกราจมตั้งแต่มกรานูครึ่งปีและแนวโน้มว่าจะครบปีแล้วก็อาจจะลามไปถึงปีที่สอง ที่จะไม่มีท่าทีว่าจะเปิดวีซ่าอุมรค์ฮัดปีหน้านี่ก็ไม่น่าจะเหมือนฮัดทุกปีนี่ก็คือเปิดแบบอิสระแบบเปิดแบบเหมือนตุกปีบว่าตามสบายไป ก, กันเบียดกันอย่างเงี้ยไปตะวักเบียดกันติดกันอย่างเงี้ยคงไม่หรอกพูดถึงปีหน้านะไม่ไ ม, มีทาง ต้องถามความรู้สึกของพี่น้องที่เขาเตรียมแล้วจะไปทำอุ้มรปีนี้หรไปทำฮัชปีนี้แล้วก็เจอเรื่องโควิดแล้วไม่ได้ไปแน่นอนความรู้สึกของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนความรู้สึกของคนที่ไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปโดยเฉพาะถ้าเป็นการเตรียมตัวครั้งแรกที่จะไปบางคนถือเลยอะบางคนถือโอ อันนี้เท่ากับอัลลอฮ์ตีกลับว่าไปไม่ตรงไม่ตงมาหาฉันบางบางคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นถูกถูกกริ้วแล้วแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณแก่คนคนเดียวหรือสองนสองล้านคนที่เขาเตรียมตัวจะไปทำอาชีพนี้แต่มันน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชาิ สำหรับมนุษยชาติทั้งหลายมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เนี่ยโรคระบาด ท, ที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันมันต้องเป็นบทเรียนสำคัญอันดับต้นๆของประวัติศาสตร์มนุษย์เลยนะการอนามัยโลกบอกว่าเป็นโรคระบาด ท, ที่รุนแรงที่สุดระดับประวัติศาสตร์เป็นครั้งประวัติการ ประวัตมนุษย์เนี่ยตั้งแต่มนุษย์เนี่ยมีเขียนประวัติศาสตร์นะอันเนี้ยถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดถึงแม้ว่าคนตายไม่ไม่มากไม่มากที่สุดนะแต่ผลกระทบของมันมันยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก็เกรงว่าผลกระทบของมันเนี่ยมันก็จะกว้างขวางกว่านี้ลามไปกว่านี้ มุมินก็คงไม่หยุดยัง้งซึ่งการสำนึกแล้วก็เอาบทเรียนใส่ชีวิตของตัวเองวัสดุอันอฟลมันก็เหมาะเจาะมากนะครับในการที่จะตรวจสอบเรื่องการเสียสละเพือ่อให้เห็นว่า บททดสอบด้วยโรคระบาดเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาที่เขาสามารถวัดอีมา ن ของเขาด้วยการเสียสละอยู่แล้วไม่น่าจะกระทบอะไรมาก <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมีบทเรียนใกล้เคียงกับเรื่องเสียสละนั่นก็คือเรื่องเรื่อง ความกล้าที่จะเสียสละแล้วก็ความขี้ขาดในการเสียสละเราถึงแม้ที่สิบสามที่อัลลอฮฺซุบฮิฮฺนูส่งมลาอ i ก a มาช่วยผู้ศรัทธาได้รับสัยชยนะในสงครามนั้นเพื่อเป็นการลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาก็เพราะ เขาแยกตัวออกจากแนวทางของพระองค์ได้เลยก็วีอันน worldwide worldwide ั้ช้ากุลละฮะวะรัสูละก็พพวกเขานี่ฝ่าฝืนและต่อต้านอัลลอฮ์ชากเอาตัวเขาเนี่ไปอยู่อีกซี่นและผู้ใดฝ่าฝืนและต่อต้านอัลลอฮ์และรัสูลของพระองค์แล้วไม่ใช้ที่กิลละฮะวะรัสูล فإن الله شديد لقابه ถ้าจง a l l นั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษพ่ายแพ้ในสงครามมันไม่ได้เป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดถ้าคนที่พ่ายแพ้ในสงครามนั้นยังไม่ตายแต่ถ้าเสียชีวิตแล้ว อย่างกุฟาลของมักกะเนี่ยเจสิบคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเพราะอะยศในโลกนี้แล้วก็จะถูกลงโทษอย่างต่อนเนื่องในโลกหนาแต่คนที่รอดไปเนี่ยถึงพ้ายไป้แล้วอย่างเช่นข้อเอดดเดววลิ าราเป็หลอสและก็หลายคนที่ตอนนั้นน่ะยังเป็นกาเฟีรอยู่ยังเป็นกาเฟร์อยู่แต่ไม่ตายอัลลอฮ์ก็ถือว่าให้โอกาสกับเขาแล้วก็ความใก้แพ่นี้มันก็เป็นการลงโทษอย่างหนึ่ง ือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงโดยเฉพาะในวัฒนธรรมอาหรับในขั้งสมุดรอาหรับนี่ก็ไม่ไม่อาหรับอย่างเดียวนะในอดีตโบราณ น, นี่เขาเขาถือมากเลยว่าแพ้สงครามแพ้ศัตรูเนี่ย คือมันคือความอปัยยศที่ไม่มีความหมายในชีวิตเนะ่ะซามูไรทำอนะไรซามูไรเนี่ยแพ้ทำอะไรกูอยู่ไม่ไม่ต้องอยู่ต่อแบเออหมายถึงว่าชีวิตไม่มีความหมายแล้วแพ้แล้วไปเจอหน้าเมียเจอหน้าลูกเรียกว่าไอ้แพ้อ้ยตายดีกว่าก้ อ, องอโทษเขาคิดกันขนาดนะั้น แต่สิ่งที่มันน่าคิดแล้วว่าซึ่งกว่านั้นนะ่ะแล้วที่สหบาหลายคนน่ะที่เขาเคยอยู่ในฝ่ายศัตรูของท่านนบีแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเขาทั้งๆที่เขาไหวยแพ้ต่อท่านนบีแล้วสามารถสำนึกตัวแล้วก็มาศรัทธาแล้วก็มาอยู่กับฝั่งท่านนบีนะเขาไม่เห็นว่าอะไรที่มัน ในชีวิตคนไม่มีอะไรแย่กว่าการที่เขาถูกทดสอบเนี่ยให้ไปยืนเป็นฝ่ายศัตรูกับท่านนาบีต่อต้านอันลลอฮ์บีต่อต้านานนี่คืออภัยโทษที่สุดแล้วอย่าว่าจะต่อต้านอันลลอฮ์ารสนะสหมามะบางท่านเนี่ยแค่เถียงท่านนาบีเนี่ยเขาก็ถือว่าทำบาปใหญ่แล้ว อัลมาดนขต้อที่เคยเถียงท่านนบีครั้งหนึ่งและเสียงเสียงเขาเนี่ดังกว่าเสียงนบีนิดหนึ่งอัลมาดุนขต้อบอกว่าทั้งนั้นที่ที่เถียงท่านนบีเนี่ยกุรอ่านประทานลงมาเพื่อยืนยันว่าทัศน์อัมาดนเนี่ยถูกกว่านะทั้งนั้นนะนะแต่อัลมานุนเองบอกว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะถึงท่านเป็นคอลีฟ้านี่นะ นบีเสียชีวิตไปแล้วทัานเป็นคอลิฟาก่อนเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตเนี่ยอีกกี่ปีเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนี่ประมาณสิบกว่าปีนะเพราะว่าท่านพยายามทำบุญมากที่สุดเพื่อชดบาปเนี่ยบาปที่เถียงน บ, บีแค่บาปเดียวนะที่เถียงนา บ, บีแล้วเขารู้สึกยังไงอ่ะที่เขาเคยยืนฝ่าย ต่อต้านนะท่านนาบีเขาถือว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ชีวิตเขาเนี่ยแบบว่าอัมรับน์ละอาสิบฮาราบิสลามนี่นึกถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาเนี่ยจะเป็นมุสลิมแต่ปัญหาว่าเขาจะอยู่เป็นมุสลิมยังไงอะแล้วก็ในประวัติของเขานี่นะมันมีในประวัติว่าเขานี่ยเขาเคยต่อต้านนาบีอ่ะว่าไปหาท่านนาบีท่นานจะรับอิสลามยังไงอ่ะ มีเรื่องเดียวที่ทําให้ฉันเนี่ยไม่รู้จะรับ伊斯兰ได้ไงที่ท่านต่อต้านท่านแล้วก็แล้วก็มีมีบทบาทในการที่จะทาสู้รบกับท่านท่านนบีท่านบอกว่าอามะอาลิมอัยอัม์อันอิสลามยุบมกเาไม่รู้伊斯兰เนี่ยไม่รับ伊斯兰เลยเนี่ยมัลบหลังหมดอัลอัอ เงินขอจับมือจะได้รับอิสลามเขาไม่สบายใจเรื่องนี้เลยพอสบายใจเรื่องนี้เลยถึงจะรับอิสลามนั่นแสดงว่าเขาเป็นห่วงมากเลยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดในอายะเนี่ ย, ย, ยว่าคนที่ต่อต้านฝ่าฝืนและต่อต้านชะกุมันไม่ใช่ฝ่าฝืนอย่างเดียวดังนั้นคำ ในคุตตะในอายะนี้คำเดเชา้ากุคเดียวแต่ตอนเขาแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็ถือว่าแปลดีนะแปลเป็นสองคำก็คือฝ่าฝืนและต่อต้านแต่ที่จริงเนี่ยภาษาอับกี่มันคําเดียวทําไมแปลเป็นสองคำเพราะช้ากุนี่ไม่ใช่ฝ่าฝืนอย่างเดียวคือฝืนแล้วก็มาเป็นปฏิปักษ์เป็นคนละฝั่ง เป็นแค่กูชักชกกูแบบมาชิกนี่คนละฝั่งกันน่ยถ้าคนละฝั่งกันนะกัคนละพวกกันแล้วไงแล้วถ้าคนละพวกกันก็ต่อต้านนี่เขาเรียกว่าต่อต้านชักกูฝืนนบีไม่เอากันนบีนะแล้วก็มาอยู่กันคนละฝังนี่แหละก็ต่อต้านแต่ถ้าหกว่าอาย่นี่ถ้าเธอแปลคาเดียวนะผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ละรอัลลอฮ์รุนแรงในการลงสิทเลยเร คนใครไม่ฝ่าฝืนเราละระสูหรือว่าทุกคำสั่งที่เราทำหมดไม่ีอบตุหมดแต่ที่เราต้องพยายามอ่ะเราอยากจะอ้างได้เราเนี่ยเป็นคนเนี่ยอย่าเป็นคนที่ต่อต้านอัลละห์ละละสูลเป็นอันขาดโดยเจตนา หรือไม่รู้สึกตัวเจตนาต่อต้านอัลลอฮฺ ر นี่อันนี้ตกศาสนาไม่ใ่ยูสมแต่อาจจะมีฝืนแลวต่อต้านลอโดยไม่โดยไม่เจตนาไม่รู้สึกตัวนึกว่าตัวเองในกาลังทาดีซึ่งในปัจจุบันในโลกเนียมีเยอะให้เห็น มีเยอะมากเหตุก็เป็นหน้าที่ของเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีในคำพูดวาจาของเราในการงานของเราพติกรรมของเราจะได้มีอะไรที่มันมันถูกสื่อใครจะมาเป็นพยานต่อหน้าเราในวันเกียรติว่าไอ้นี่มันต่อต้อานอัลลอฮฺเราสูดและเขามีหลัฐานยืนยันได้เสร็จ فإن الله شديد ل ق ا ب في الجنة لا نقص في م ا ل و ن ث و ر ي ذلكم فذوقوه أن الكافرين عذاب النار ت ي ب ن ق ا ل ر س น ن ي ن ق ي ا خ ط ف ا ل ة ن ع ن ع ن ع نعم م نعم نعم نعم نعم ن ن ع نعم نعم نعم نعم ن م نعم نعم ن ع ع م نعم ลดการลงโทษไม่ใช่ลดภัยแหวนนะการลงโทษแบบนี้ที่อัลลอฮ์จะให้พวกเจ้าเนี่ยลิ้มรสเพราะอะไรเพราะชาวมักกะนี่เขานึกว่าชาวกุฟารมักกะเนี่ยเขานึกว่าเขาดีจริงเขาดีกว่านาบีในสุัตาว่านี่เขาถึงกันดิโออวดนะบอกว่ามุฮัมมัดนี่จะมาดีกับเราได้ไง เราเนี่ยบูรณะบ้านุทลอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ปกป้องคุมห้องดูแลบ้านุทุลลอห์อัลลอฮฺเอาใจอัลตุมสิกายะทัลฮะด وع ิมารตัลมัสิดอัลรมิน آ มันบิลลาลอัลอาครจาดบิบลลาตนอัลลพวกเจ้าจะถือว่าการทาบุญกับคนทํามีเนี่ยเลี้ยงอาหารให้ให้น้ำซำๆให้เขาดื่มพราตอนนั้นน่ะเาก็คุมคุมน้ำซำๆอยู่ ขุจาครใครมาประกอบพิธอุหมราหันเนี่ยเขาก็เลี zam zam. O, ้ยงอาหารให้น ah ้ำซำซ่มพวกเจ้านี่กูให้อาหารให้น้ำซำซ่มกับขุจาเนียและโบราณนะใบตุลาเนี่คือซ oh, ่อมแซมกาบะให้ดีสร้างให้ดีให้สวยงามประเสริฐกว่าการศัทธาต่ออัลลอฮ์เรต่อสู้ในหนงอัลลอ์ ไม่เท่าเทียมกันเลสตูน่อินดนะลอละนะอีมันไม่เท่าเทียมกันทำไมอ่ะเพราะทุกอย่างนี่มันก็มีแก่นแท้ของมันพิมพ์กุรอานถ้าคนพิมพ์กุรอานนะแต่กินเหล้ากินดอกเบีย้ยเล่นการพ น, นัน ออกวรบกคู่ชีวิตแล้วอะไรสารพัดนี่นะแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่ได้พิมพ์กุรอ่านไม่ได้อะไรเลยเพามีเรื่องเดียวก็คือเรื่องศรัทธาและก็ยินยืนยันในเนื้อหาที่อยู่ในคุร์อ่านแต่เขาไม่ได้พิมพ์กุรอ่านไอคนที่พิมพ์กุรอ่านเนี่เองไปทําบุญอะไรมานี่ดูดิฉันพิมพ์กุรอ่านเนี่ยเนีไอเรื่องเปรียบเทียบ ลอกลวงตัวเองในโลกมุสลิมเนี่ยทุกวันนี้นี่นะมันก็ไปในทิศทางนี้แหละอ้างเรื่องทําบุญที่ไม่ไม่ดูในแก่นแท้ของมันพิมพ์กุตอาจไม่มีความหมายอะไรเราถ้าคําสั่งสอนของกุตอานเนี่ยเจ้าพิมพ์แล้วแล้วก็ไปถล่มมันพิมพ์กุตอานแล้วคุตอานบอกว่า อยกินดอกเบียแตเองไปกินอย่าเล่นการพนั้นแต่เองไปเล่นอย่ากินเหล้าแต่เองไปกินมีประโยชน์อะไรแหละที่จะพิมพ์คุณอ่านเช่นเดียวกันสร้างมัสยิดมีประโยชน์อะไรแหละถ้าตัวเองไม่ละหมาดมีประโยชน์อะไรแหละบูรณะไปตุลลอห์เนี่ยอิกรฟาร์มากะก็ทำแต่จะเวทเต็มเต็มคำบอกหมดเลยก็ไม่เท่าเทียมกันคนที่เขา อพยพจากม ก, กาณ์นี่เพราะใบตุลาเนี่ยชีริกมันเต็มไปหมดแล้วเขาไปศรัทธาห่างๆกั น, นแล้วก็ต่อสู้ในหนทางอ่อนล่อเนี่ยดิ้นรนในหนทางอ่อนล่อเนี่ยเขาประเสริฐกว่าเราบอกเพราะนี่คือแก่นแท้ของของคําสั่งสอนของพระเจ้าที่สั่งให้สั่งกาบาสั่งให้บุรณะมะัสยิดสั่งให้ทําบุญเลี้ยงอาหารคนจนนั้นนี่ทั้งหมดเนี่ยมันมีเป้าประสงค์ เราไปทำกิริยาแต่ไม่ได้ดูแก่นแท้ของมันเนี่ยมมีเป้าประสงค์อะไรไม่มีประโยชน์อัลลกอก็เลยบอกว่า <c oughs> แพ้สงครามเนี่ยที่พวกเจ้าคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะโดนเลยเพราะเราเนี่ยดีเด่นกว่ามุฮัมมัดอีกเยอะ เราทาบุญมากกว่ามุฮัมหมัดเราดูแลมัยตุลลอเราดีกว่ามฮัมหมัดงเขาคิดอย่างงั้นน่ะเราจะแพ้ได้ไงอัลล์ก็บอกว่านี่แหละซูกูลิมซะนี่แหละนี่แหละลิมรอดมันเถอะวันนั้นลิลกาเฟรีนอาดับในนรละท้จริงสําหรับ์บรดาผูปฏิเสสะานั้นน่ะคือการลงทษแห่งไฟนรกอันนั้นในโลกหนาทุกครั้ง ที่มนุษย์จะประสบความสำเร็จส่วนมากนะมนุษย์จะดีใจกับความสำเร็จและไม่พยายามที่จะไปหาจุดแข็งที่ทำให้ตัวเองสำเร็จแล้วก็ไปค้นหาจุดอ่อนที่ตัวเองจะต้องหลีกหนีจะได้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากมนุษย์เนี่ยพอสาเร็จอะไรก็จะฉลองรู้ผลสอบไปกินเนกกระทะกันก่อนก่อนอื่นเลยเนกกระทะก่อนเรื่องอื่นเดวาว่า <c oughs> ผลธุรกิจของบริษัทโอ้ยได้แลนะ้วเอฉลองเรียกคืนนี้ฉลองเลยฉลอ ง, ลองการตั้งสติที่จะนำบทเรียนมาใช้ชนะของบัณฑิต ช, ชนะที่ยิ่งใหญ่นะ่ะเพราะ ใจที่มันจะชี้ที่บ่งชี้ว่าว่าจะชนะเนี่มันแทบไม่มีเหตุผลที่จะชี้ว่าเขาควรแพ้เนี่ยมันเด็บมีเยอะมีเยอะมากแต่พระกฏว่าไอ้กฎนี้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกยกเลิกไปหมดแล้วเขาชนะไงต้องดีใจดีใจมากเลยแต่ Allah Subhanahu Wa Taala สอนว่าถึงจะดีใจนี่นะ ก่อนที่จะฉลองอะไรเลยเนี่ยมามานับบทเรียนกันก่นอนอายุสิบห้านี่ก็จะเริ่มแหละส5บห้านะเริ่มตั้งแต่ต้นนะเป็นการตักเตือนเตือนสติเริ่มต้ น, นเรื่องทรัพย์สมบัติใสทรัพย์เฉลยอย่าไปหลงตามดุนยาให้ยึดในความเป็นพี่น้องกันก่อนอะไรเธอ แล้วก็ที่หลังนี่ก็ตําหนิเรื่องกุฟ้าเรื่องอะไรนี่แล้วก็เนี่ยมาเริ่มละมามาดูมาทบทวนกันมาท บ, ทบทวน น, นี่เป็นบทเรียนสําคัญก่อนที่จะดูมีบทเรีาายนอะไรในสงครามบัตรเนี่ยแค่สุรษะอัลฟานเนี่ยแค่ที่อัลลอฮฺสุบัยน่าว่าจะเอาบทเรียนมาระบุในช่วงที่ควรที่จะแสดงความดีใจ ในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นี่นะมันสอนผู้ศรัทธาว่าอัลล์ให้อะไรมาเนี่ยก่อที่จะดีใจเนี่ยต้องมีสติเพียงพอตั้งสติเพียงพอที่จะเข้าไปค้นหาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้มาเพราะอะไรบทเรียนแรกบทเรียนแรก يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار خمسة خمسة ن ี้ هي ا ل ت الله هى هى باي نهى التي تامه كهده شنا بنداء بوس تا تانغ لاي ماء بوق جاو بب بنداء بوس تي ب ت س ي س ت ت มาใกล้ชิดจะได้ประทกับพวกเจ้าแล้วเนี่ยฟละตัวลูหมุลอับอร์จ่ฟันไม่ว่าเคลื่อนมาถ้าพบเขามาแล้วนะใกล้ชิดแล้วนะพวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขาใสยกุศลเพรามีหนังสือเล่มหนึ่งผม เคยเล่าบอกให้บินองอยหลายครั้งแล้วนะนะทวิรุณฝันนีในกุรอานศิลปะในการชายภาพศิลปะในการฉายภาพทศวิทศวรรษแปลว่าแปลว่าภาพชายภาพฝันนี่ศิลปะในกุรอานในกุรอานเขาบอกว่านางซือเรื่องนี้เนี่ย ที่สุดของที่สุดของของการให้เห็นความยิ่งใหญ่ของของสำนวนกุรอานภาพเนี้ยสำนวนเนี้ยน่าจะเป็นคนรุ่นนี้แหละที่เคยดูละครดูหนัง แล้วก็เห็นทหารที่ถูกถ่ายจากโดรนจากเบื้องสูงเวลาทหารเนี่ยเคลื่อนไอทหารนี่ถ้าหากว่าถ่ายทหารเนี่ยจากสมรภูมินี่คือจากภาคสนามนี่จากภาคดินนะ่ะนะก็จะเห็นทหารนั่งเดินทั้งวิ่งใช่ไหทั้งเดินทั้งวิ่ง เดินและวิ่งจะเคยเห็นใครคลานไหมการประทะเนี่ยทหารเนี่ยกองทัพสองกองทัพเนี่ยเวลามาประทะก็ไม่มีการค า, คานนี่อันนี้ถ้าเป็นคนในกระดาสงครามสงครามโจรอะไรที่เขาแอบซ่อนกันเออแต่ถ้ากองทัพสองกองทัพนี่ มาปะทะกันนะนะก็คือนั้งเดินต้งวิ่งปะทะไงแต่เคยเห็นไหมกองทัพนี้ข่านแต่นี้อัลลอฮฺบอกว่าอิดะลิ قي ตุมุลลัฎินาคัฟรุซัพฟันถ้าเห็นผู้ไปสัตหานี่เขามากันซัพฟันตรงเนี้ยเขาใช้คําว่าเคลื่อนเคลื่อนมาแต่ที่จริงเนี่ย z กริยานเนี่ยในภาษ า, า, า, าอาหรับเนี่ย z a h f ปว่าขานกองทัพเนี่ยที่ายจากโดรนเนี่ยถึงแม้ว่าทหารเดินกันเดิ น, เ ด, นเดินกันแบบขึ้นเขือมแน้ะแต่เราจะเห็นมันเหมือนกองทัพยั่กำลังขารกันเรื่อยๆชา้าๆเหมือนคนขานเราไม่ได้เห็นกองทัพที่พุดธพุใช่ปะ แต่มันจะเคลื่อนช้าๆช้าๆเหมือนเหมือนคนกำลังขานขานการที่จะเลือกคำเนี่ยให้อธิบาเออจะเห็นและคำนี้เนี่ยคนที่จะรู้สึกคำนี้เนี่ยก็คือคนที่เขาเคยในยุคนั้นนะ น, นะก็ เ, เคยอยู่ในยอดเขาแล้วก็เห็นกองทัพมาจากที่ไกลๆนะก็อาจจะเห็นภาพนี้ กองทัพนี้มาจํานวนเยอะแต่มาเขาอาจจะวิ่งใช้ม้าวิ่งอะนะสมมติว่า60กิโลทั้งนั้นนี่มาเร็วก่นนะแต่เขาก็เห็นนะมันขาด ม, มันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้มาฟุดนะนะแต่มันมาเหมือนขาด น, นะซึ่งลักษณะการเคลื่อนช้าๆที่เหมือน คนคารเน่ของกองทัพทั้งหมดเลยทั้งปวงเลยนะมันแสดงถึงจํานวนและปริมาณเยอะของมันเพราะถ้าหากว่าเราเห็นทหารกองทัพเนี่ยเห็นตัวต่อคนต่อคนอย่างเงี้ยแล้วเขาวิ่งมีม้าวิ่งหรือเขาวิ่งเองอ่ะนะเราจะไม่เห็นภาพนี้ภาพคานเราจะไม่เห็น แต่เราจะเห็นภาพคานนี่ต่อเมื่อมันยุะมากอะยอะมากจนกระทั่งทหารมันเหมือนเป็นคขึ้นมันเหมือนเป็นอะไรที่กำลังก้อนเดียวนัว้นแหละกำลังขานคานคา น, า น, านถึงจะเป็นจำนวนเื้อภาพนี้แหละที่จะทําให้กองทัพตรงข้ามนะกลัวกลัวคือคือคือกวนผวาเลยอะตกใจเลยโอ้ ม, มาเกินขนาดนี้ นี่เศรษกุลบอกว่าตะซุยรุ่นเฟนนี่กุลอ่านใช้สํานวนที่ฉายภาพเศรกุลในหนังสือว่าหนังสือเล่มนี้บอกกุลอ่านนี่ไม่ใช่แค่คําศัพท์สํานวนที่ที่ให้เราได้อ่านไม่มันเหมือนคําศัพท์ที่มันฉายภาพให้เห็นภาพและเนื่องจาก จำนวนของกองทัพที่มากันเยอะแบบเนี้ยทำให้กลัวนะและคนนะ่พอกลัวแล้วไม่ไหวแล้วปะทามไม่ได้แล้วกองทัพเยอะแบบนี้เนี่ยโอ้ยทำยังไงดีหนีนจึงมีคำสั่งฟลาละตัวลูฮุลอัลบาระอัลลอไม่ได้บอกว่าเห็นกองทัพเยอะแบบนี้อย่ากลัวถ้าลเราสั่งว่าอย่ากลัวเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ใครจะทำได้คือมันเยอะมันเยอะจะไม่กลัวได้ไงบางทีนี่ไม่ต้องเยอะบางทีก็ก็เห็นทาหารตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่หญอาวุธอะไรอย่างเงี้ยฮะแค่นี้ก็กลัวแล้วไแล้วเธอเยอะอันนี้วาต้องกลัวอัลลอ์จะไม่สั่งจะไม่ห้ามอะไรที่ บ, บว่าทำไม่ได้อะเป็นไ ป, นปนไม่ได้เราสั่งให้สิ่งที่ทำได้ แ ล, นะละตัวลูห์กัวอาจจะกลัวเป็นไปได้กลัวถึงจะกลัวนะและตัวลูหมืออับดบาร์พวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขาเดี๋ยวจะมีนะอายะถัตมาเนี่ยว่าที่จะให้หันหลังเนี่ยในบางการณีนอนุญาตแต่ไม่ไม่ไม่ด้เป็นการไม่ได้เป็นการหันหลังหนีเป็นการหันหลังเพื่อเหตุผลอย่างอื่นจะได้สู้ต่อ แต่ถ้าหันหลังหนีเนี่ยแสดงว่าความกลัวเนี่ยมันถึงขั้นที่ทำให้เราเนี่ยมีความขี้ขาดและความขี้ขาดเนี่ยที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้ศรัทธานมีอยู่ในหัวใจขี้ขาดนี้อาจจะแสดงด้วยหลายอย่าง แสดงความขี้ขานนี่ไหลอ่ะร้องไห้ใช่ปะ่ะพอเห็นอะไรที่น้ากูวอ้หัวละร้องไห้โอ้หเป็นลมขี้ขานเห็นอะไรที่น่ากูก็เป็นลมบางคนบางคนอาจจะมีโรคจิตนะเห็นเข็มะเป็นลมละใช่ไหมมีใช่ไหมมี นี่เห็นเข็มเป็นลมแล้วเห็นดาบละถ้าอยู่สมัยท่านดบีนี่คงจบแล้วดบีคงว้่งทำกับข้าวกับผู้หญิง <laughs> เห็นเข็มไม่ได้เนเห็นดาบไม่ได้แต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกเธอ ถ, ถ, ถ, ถ้าเธอกลัวเธเห็นเห็นกองทัพเยอะแบบนี้เนี่ยอย่าเป็นลมอย่ารอา้องไห้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้สั่ อัลลออัลสั่งในสิ่งที่มันมีสาระในเชิงบริหารเนี่ยในเชิงบริหารเนี่ยไม่ควรไปตำหนิคนที่ทำงานในสิ่งที่มันได้สาระทำไมไม่ดีเสื้อวั้งทำไมเสื้อมันยับแบบนี้ได้สาระดูงานเขาบ้าง เนื้องานที่เราต้องการแต่เขาเนี่คืออะไรเที่งกฤษคนหนึ่งรับมิสลามใหม่เขาก็รู้เลยว่าสมัครที่ไหนเนี่ยจะต้องมีเวลาละหมาดแล้วก็ไปสมัครที่ไหนเนี่ยผมขอเวลาละหมาดไม่ได้แล้วมันมี บริษัทใหญ่โตมากเนี่ยเขาเนี่กับบริษัทนี่คงยา ก, กลลแล้วก็เราเราไม่สมัครแ้ก็ผมมีจะมีเวา้าละม่าไปดิทำ ไ, ไมคุณมีผลงานมีอะไรแสดงมาเนี่ก็จบคุณจะไปละม่าคุณจะไปละม่าคือไอ้สายตาของเขาเนี่ยไอ้เรื่องละม่านี้มันไม่กระทบงานใช่ไหมอัลลอไม่ไดีตําหนิไม่ไดีตําหนิผู้ศรัทธาว่าเออถ้าหากว่ามีอะไรที่มัน มันเป็นมันเป็นเรื่องอยู่ในนิสัยอ่เพราะแน่นอนไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะกล้าหาญองอาจไม่ไม่ใช่ทุกคนทุกทุกคนน่ผู้ชายทุกคนจะมีมเรื่องไป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยก็คือสิ่งที่วัดผลงานได้และตัวลูฮอมอัลบะยะนีบะเชิญหน้า ย่ขี้ขาดเผชหน้าอันนี้เนี่ยที่วัดได้ในสุนัลำมฟานเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยอาจจะหนีก็คือเห็นจำนวนมากของศัตรูกำลังเคลื่อนมาสุรษ์อัลอิมรอน نجب ريانوا دوي س ك ر ا أ ح د الله بوا ولا تنزع فتفسل وتذهب رحكم وقتاع تمخدينكن ف ت ف ش ل ف ش ل و عدو ในการใช้อ่ะของภาษาอาหรับเนี่ยภาษากุรานก็คือกุรานนี่เปนภาษาอาหรับโบราณไม่ใช่อารับปัจจุบันก็เหมือนไทยไงภาษาไทยก็มีไทยที่ใช้ในโบราณแนละ้วก็ที่ใช้ในปัจจุบันบางทีความหมายมันไม่เหมือนกัน แฟชั่เนี่ยถ้าในปัจจุบันนี่นะเาจะใช้เป็นคาด่าแฟชิลคือคนที่ไม่สาเร็จคนที่คนที่ทางานไม่สาเร็จแต่ฟชันแฟชิลเนี่ยในพุธศาสนาในภาษาอารบระเนี่ยแฟชั่นเนี่ยแปลว่าขี้ขาดความขี้ขาด สูเจ้าอย่าขัดแย้งกันอันที่จะทําความขัดแย้งเนี่ยอันที่จะทําให้สูเจ้าเนี่ยขี้ขาดงงอรับส่วนมากนี่ที่ไม่ได้อ่านความหมายคุตลา น, นั่นนะเขาจะเข้าใจว่าอย่าขัดแย้งกันแม่งงั้นจะไม่สําเร็จแล้วมีเยอะนะมีผู้รู้บางคนก็จะแปลแบบเนี้ย แต่อายเนี่ยแบบเนี้ยสู่เจ้านี่อยากขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันก็ไม่สาเร็จไม่ประสบความสําเร็จนี่ผู้รู้ก็แปะแบบนี้อันนี้รู้ได้เลยว่าผู้รู้คนนี้ไม่ได้อ่านความหมายกุลันถ้าแตบเสลูพวกเจ้า น, นี่ขัดแย้งกันแล้วจะขี้ขาดไม่ว่าพวกเจ้าขัดแย้งกันขี้ขาดไม่สามารถปรเชิญหน้ากับสตรี ความขัดแย้งจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่รู้คุณค่าของตัวเองมัวแต่หาจุดอ่อนของเพื่อนฝูงของตัวเองไม่มุ่งที่จะไปต่อสู้กับศัตรูแต่มัวแต่ขุดคุยกับพวกกันเองนะมีมีแต่ศัตรูในหมู่คณะของพวกตัวเอง พอมาเจอศัตรูแล้วอะนะขี้ขาเจอกันเองนะโหยตาเหลือเกินนะพอเจอศัตรูแลขี้ขา น, นี่ประชาชาสล斯兰ทหารประเทศมุสลิมอนะข้าประชาชนกันเองอนะองอาจหลือเกินแต่ให้เจอทหาร คนอื่นนะ่ะขี่ขัใช่เลยบูลลี่นี่มาจากอะไรบูลลี่อ่ะพี่น้องด้วยกันนะนะเออถ้าถ้าน้องอนะหนแกล้งแต่ถ้ามาเจอนะักเลงนอกอนะี่ขนะน่และถ้าคนในซอยในชุมชนในสบุรุ่ดด้วยกันนะนะโอ้โหด่ากันแรกเลย ถ้าไปเจอหนักเลงคนหล่อคนน้อยที่ข <c oughs> แต่นาเจ้าพวกขัดแย้งกันข้างในมันไม่มีพลังแล้วไงมันก็สอนว่าความเข้มแข็งของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะสร้างพลังด้วยความเป็นจมามาเดียวกัน่ะ มันถึงจะรู้สึกว่าอู้เราแข็งแรงนะเว้ยใครจะมาทำเราไม่ได้เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันแต่นื่นงจากว่าเราข้างในนี่ไม่เป็นหนึ่งเดียวพราะใครมาจากข้างนอกกันนะอูอยู่คนเดียวขี้ ข, ข, ขาดไมกานี่แหละแสดงว่าอาญะนีที่อัลลอฮฺบอกว่าอย่าหันหลังหมายถึงว่าอย่าขี้ขาดทําไมอ่ะสงครามบัตรเนี่ยมันยังไม่มีความขั่แย้ง สงครามบัตรเดยียงไม่มีความกันแยนเขายังเป็นเป็นปึกแผ่นเดียวมันอาจจะมีบางคนที่อาจจะกลัวหน่อยอัลลอฮ์ก็สั่งสอนว่าถ้าใครมีเหตุอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยหันหลังอย่าหันหลังนะอย่าหันหลังหนีโดยเด็ดขาดพอสงครามอดหดเนี่ยขันแยงกัน เฮ้ยดูลงไปอาซับช่เลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ลงนาพี่สัง่งเฮ้ยไม่เป็นไรรมเ น, นี่ยขัดแยงกันลนั่ก็อแพขัดแย้งกันแล้วกจะขี้ขาดทั้งนี้ความขี้ขาดมันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับอุ ป, ปนิสัยของผู้สถาผู้สถาีิ จะต้องมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะที่จะที่จะบังคับตัวเองไม่ให้ความขี้ขาดเนี่ยแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาด้วยการหันหลังหนี วไม่ والهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ใครหันหลังของเขาหนีพวกเขาพวกศัตรูเนี่ยในวันนั้นน่ะในวันที่ประทักกันนะ่ะนะยุกนยุคนี่อเน ي ي ียดหันหลังเนี่ยผู้ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ก็คือถ้าประเชิญตรงนี้เนี่ยเออคงจะไม่ถนัดที่จะสู้ก็ต้อง ต้องเปลี่ยนที่จึงต้องหันหลังนิดหนึ่งการที่เว้นยกเว้นแบบนี้แสดงว่าละเอียดมากที่จะไม่ไม่อนยิยมให้หันหลังเป็นอันขาดเลยยกเว้นผู้ที่เปลี่ยนที่เพื่อทาการสูร้รบมุตฮริฟันลิกิตาลมุตฮะริฟันเปลี่ยนว่ามุตฮริฟันเปลี่ยนลิกิตาลจะได้สูร้รหรือมุตฮะฮิซัน หรือผู้ที่ไปร่วมกับอีกกลุม่มมุตะฮยยนไปร่วมกับอีกกลุม่มก็ต้องหันหลังจะได้ไปร่วมกลุม่มจะได้มาสูร้รบอีกระลอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งได้แต่ถ้าไม่ยึดสองกรณีนี้หรือกรณีอื่นยี่แงกรณีนี้นี่นะบบอกคนที่หันหลังเนี่ยเขาย่อม นาความโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปบ้าอามีราะบบมินอัลลอฮ์เะว่าวฮูเจฮันนัในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์โรธและที่อยู่ของเขาเนี่ยคือเจฮันนัมนะครบวิซัลมาเซียดละเป็นที่กลับไปที่เลวร้ายอัละมะเขาก็บอกว่าการ ห้ามหันหลังโดยเด็ดขาดเนี่ยมันเป็นคำสั่งเฉพาะสฮาบ์บะในสงครามบัตเพราะอะไรเพราะมีเหตุการณ์สงครามอื่นที่สฮาบ์บะเขาไปสู้รบและสู้ไม่ไหวสู้กับศัตรูไม่ไหวเขาต้องหนีเพราะหนีนี่ก่อนเข้ามาดีน่าเนี่ยเขาอะไ่หลังสงครามบัตเนี่ย เขาอายไม่กล้าเข้ามาดีนะก็เลยแอบเข้ามาช่วงช่วงสุบโบเนี่ยนบีเสร็จแล้วนี่เขาก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ทรงคนไปบอกเขาว่าเนี่ยเขาพวกที่เขาออกไปสู้รบแล้วเขาไม่กล้าไม่กล้า เสนอหน้ากับท่านนบีเพราะอัลลอฮ์บอกเนี่ยใครทีหันหลังหนีเนี่ยอัลลอฮ์โกรธเกลีวยกเว้นคนที่คนนี้หันหลังไปร่วมกับอีกกลุ่มนบีก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยคือกลุ่มของพวกเจ้าก็คือหมายถึงว่าที่พวกเจ้าเนี่ยหันหลัง มาเน่หันหลังมาเนี่ยไม่ถือว่าหนีหันหลังมาหาฟิอามาหากลุ่มก็คือฉันนี่แหละอันนฟิอ า, าอตุลมุสลิมีก็เป็นทางออกที่ท่านน บ, บีให้กับสหาบยกลุ่มนี้อุลามาจึงบอกว่าที่ห้ามหันหลังเป็นอันขาดเนี่ยนั่นในสงคำบัติแต่หลังจากนั้นถ้าหันหลังด้วยเหตุผลใดๆชเช่นต่อสู้ไม่ไหว จำนวนยุกมากต่อสู้ไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องหนีแหละดีกว่าตายฟรีฟเนี่ยอุลมามส่วนมากต้บอกว่าย่อมทาได้ด้วยเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าหันหลังหนีโดยไม่มีเหตุผลอันนี้เนี่ยอุลมามส่วนมากบอกว่าบาปใหญ่าทาไม่ได้ในทุกกรณีเนี่ยบันทึกของอิหม่ามอับดุลฮะมดทนนสั่ว่าอินิบุสบะลูบิควา พวกเจ้าจงหลีกเลี่ยงบาปใหญ่เจประการอันหนึ่งอันแรกเนี่ยอิชร์กูวิลล์เรื่องชีริกบาปใหญ่ดิสุชุรบุลขมรอามากันกันภูกุลวัยเดย์อักตันอยู่ต่อพ่อแม่ชรบุลขมดื่มเหล้าอัจเรเนเรื่องนลก้อันสุดท้ายนี่นบอัฟิรารูมินซะ แล้วก็หันหลังให้ศัตรูยามที่ต้องประทะในสงครามถือว่าเป็นบาปใหญ่ในบรรทุกอิหม่าอัลฮะมดท่านนบี صلى الله عليه อะดียฮะวะผู้ใดที่กล่าวว่ามันกล่าวอัลลอฮ์ที่ไม่ละหลีกนผู้ที่เป้ที่เป็ี็นที่้ผู้ที่่่นีููผู้ที่่นี้ ك َ ب َ ج َ ه ا ل ف َ ه َ ي ُْ و ا ل َ ل َ ه الَّذِي سَنَ لَا إِلَهَ مِن فَجَاءٍ ذ َ ن َ و ْ ا ل ل ه َ الْحَيُّ ب ُ ح ُ س ُ الْقَيُّومُ ب ُ ح ُ س ُ د َ م ْ ر ُ ن َ ب ِ و ِ ه ْ ب ِ و ْ ء ِ ه ِْ ت َ و ْ ء َ ب ِ م ْ ت َ و ْ و َ ب َ ه ت َ و ُْ و ن َِ ط َ و ْ ء ِ ه م َ و َ ب ِ ط َ و ْ ء ِ ه ِ م ت َ و ْ ء َ ب ِ م <تكلم> ْ ت َ ن ْ ء ใหญ่มากใหญ่แบบไม่นะ่าให้อภยัยแต่ถ้าจะกล่าวสิกเกนี้นะมีโอกาสที่จะได้อภยัยซิกเกิล้อเนี้ยสำคัญเราคนนี้ต้องจำแ ล, ะกะกลว้วก็กล่าวบ่อยว่านี่ขนาดกล่าวซิกเกิลนี้เนี้ยอ a l l ให้อภยับบอ ย, ยบาปใหญ่แบบนี้แล้ว่าษาอะไรกับบาปที่มันเล็กกว่านั้นก็เป็นซิเกิลที่ดี ที่เราควรท่องจำลกกักากบาคน้ว س ت غ ล ر الله الذي لا إله إلا هو ا อย่างน้อย น, นี่ก็กล่าวกลางคืนก่อนนอนสักครั้งหนึ่งเราอาจจะลบล้างในสิ่งที่เราได้ทำทั้งวันทนั้งคืนทำอะไรเรามาเหรือกล่าวทุกชมมั่วโมงวันละ24ครั้งอย่างเงี้ยทุกชมมั่วโมงสิ่น ก่อนนอนตื่นอยากนอนอะไรเงี้ยหวังว่าเราจะให้อภัยโทษนี่หนึ่งในบรรดาอสการที่เราควรท่องจำจะได้ช่วยให้อภัยโทษลบล้างความผิดของเราทำไมการหนีสงครามเป็นบาปใหญ่เพราะมันเป็นความรับผิดชอบคนที่จะสู้รบนี่ก็คือ นักรบนักสู้รบอัลมูเจฮิดูเนี่ยนักสู้นักสู้เนี่ยจะต้องเป็นหัวกะทิของสังคมคนที่มีความกล้าหาญมีความองอาจและจะหากว่าหัวกะทิเนี่ยมีความพี่ขาดถึงกันหนีสงครามมานะ่ะแน่นอนอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นแ น, น, น่สังคมทั้งหมดนี่ตีเมืองแตกเลย กิดพ่าาอาหารที่หันหลังอาหารที่หนีสงครามนี่แหละลาอะไรที่จะเกิดขึ้นจากการแพ้สงครามทุกอย่างเลยเผามสยิดเผาบ้านของตัวท่า น, นะ น, นข่มขืนเห็นฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความเสียหายเกิดจากอะไรความขี้ขาดการหนีสงครามของนักรงทุนจึงเป็นบาปใหญ่ที่สุดเพราะ บาปทุกบาปที่เรานิสอาจคิดว่าอยากจะทําหรือจะให้มันเกิดขึ้นเลยนะมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยน้ํามือของศัตรูกับเราดังนั้นจึงเป็นเป็ น, ปนบาปใหญ่หากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องสงครามเหมือในเรื่องรูปธรรมก็คือเรื่องสงครามมี คงทัพมีอะไรประทะกันแต่มันก็มีสงครามเชิงนำมะทังสงครามเชิงความคิดสงครามเชิงสงครามด้านจริยธรรมซึ่งบางทีมันก็ร้ายแรงแล้วก็มีความเสียหายมากกว่าสงครามในส่วนของรบกอย่างที่เราเห็นกันนะ สงครามกับระหว่างศัตรูของบ้านเมืองของประเชาติของสังคมเนี่ยที่ต้องการให้สังคมให้บ้านเมืองให้ประเทศชาติเนี่ยอ่อนแอเขายกทัพเดี๋ยวนี้เขายกทัพมาตีเมืองป่ะฮึเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสร้างกำแพงรั้วกำแพงเมืองมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว คือเดี๋ยวนี้เนี่ยสงครามด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันที่มันสร้างความเสียหายกับวัตถุเนี่ยไปแค่ไหนเนี่ยมันก็แข่งไปไกลกว่านั้นได้สุดยอดของอาวุธสงครามเ น, เนี่ยคือเครื่องบินรบ พต่ตกรุ่นโอ้โหยกทัพกันอันนี้ยกทัพต่อมื่นหนึ่งมีทั้งไอฮะมีทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กมีอะไรตัวมีอะไรเครื่องบินลาเดียวมารเครื่องบินลเดียวรดเดี๋ยวนีโดนเครื่องบินลำหนึ่งสมรล้านดอลลาร์โดนลำหนึ่งส0 0 0สนดอลลาร์เนี่ยโดนเนี่ยเรดาร์นี่จับไม่ได้เนี่ยยิงเครื่องบินน ไอ้สารยล้ายิงเสร็จหมดสภาพโดนชิ้นเดียการแข่งขันด้านวัตถุนี่มันถึงมันไปที่สุดไม่ได้แล้ว จ, จึงทำสงครามด้านความคิดสงครามด้านจริยธรรมประเทศหนึ่งประเทศใดจะแข็งแกร่งก็ด้วยทหารใช่ปะทหารเขาแข็งแกร่งเขาก็หาร และทหารนี่ส่วนมากก็เยาวชนก็เอาให้เยาวชนเขานี่อ่อนแอติดยาติดเกมติดหนังติดผู้หญิงติดเล่นติดบอลเยาวชนนี่รวมตัวกันได้สนามบอลในี่มือนะเขาสร้างสนามบอลเนนะี่ยรวมตัวกันรวมตัวกันได้โอ้โหนี่สร้างสนามบอลกันโมฮิมติกต้านี่ก็จะทําบนโลกกันนะ จได้เจ็มืน่ะนะตึกไม่แตกเนี่ยเจ็มื่นาอยู่กันที่เดียวกันนะรวมตัวกันในเจ็ดหมื่นนะเยาวชนนั้ง น, นั่นนะผมว่า ม, มีคนแก่นั้งเมียเยาวชนนั่งนั้นน่ะเกินสี่ิเนี่ยไม่น่าจะมีหรอกเยวาวชนนัง น, นั่นนะรวมตัวกันได้อะแต่เยวาวชนเนี่ยสี่มื่นเจ็ดมืนเนี่ยรวมตัวกันในเรื่องคุณธรรมอ่ะได้ไหมพอไปดูยศดเจดสิบเนตะคนแก่ คนน่นอีกหน่อยนึงก็ตั้งกูโบนี่นะไปตั้งละโยต์เยาวาชนส่วนนู้นคอนเสิร์ตละ่ะมีคนแก่มไหมพักมาพักเคยเห็นหมั้ยคนถือไม่ท้าไปพักอย่าว่าชนทั้งนั้นแล้วจะไม่ มันอดคิดไม่ได้ว่านี่ก็นี่ก็สงครามนี่สงครามทำให้บอล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่ใช่ใครคิดตัวอ๋อสงครามมีผลิตยาเสพติดแล้วก็สง่งให้นีโง่แล้วไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นแล้วจะได้เป็นมาเฟียแล้วก็ต้องผลิตผลิตยาเสพติดแล้วก็ ตรงจ้างคนเสียงเอาเข้าไปในบโลไม่ต้องเลยฉันที่ทำสื่อสื่อให้มุมเมาให้เยววาวชนเนี่ยอยากติดยาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ผลิตกันเองเดี๋ยวเขาก็หากันเองประเทศนั้นนะก็เรียหายไม่มีชิต สงครามนี้เป็นสงครามนะสงครามด้านความคิดด้านจริยธรรมมันก็ควรที่จะเอาหลักการที่เร า, าสั่งสั่งมาเนี่ยย้ันหลังนะเรากำลังไปเชิญหน้ากับอะไรเขากำลังทำลายเยาวาชนของเรามีใช่หรือแต่เรา ม, มาืจอมาเห็น อันตรายร้ายแรงที่จะต้องใช้เวลาเตือนพี่น้องใช้เวลาทั้งบรรยายทั้งตอบโต้พี่น้องอย่าละมาทางกันนะมันเป็นปัญหาเด็กที่เรียจะเสาีาทั้งติดบุหรี่ทั้งติดยาทั้งอะไรไม่มีพูดไม่มีแก้ไขแบบนี้ที่การ แบบนี้หันหลังให้สงคามแบบนี้ที่เรามัวแต่ไปไปเก่งกับตัวเองเอะนี่ไปได้นี่ก็ัญีนี่นี่นนนกาลเหลือเกินอะนะแต่สงครามแต่ท้น่ะนะที่จะต้องเผชิญหน้านะที่กำลังทำลายสังคมจริงๆนะที่ทำให้คนไม่ละหมาดเลยที่ทำให้คนไม่กระตันอยู่ต่อพาะพ่อแม่ไม่มีคนอ่านกุานเลยไม่มีค น, น, นมี เขาเราเข้าสู่ราวเลยนี่ น, นี่สงครามแท้แท้นี่ยคนนี้ยกำลังฆายแล้วก็รู้นี่ใครขายยาอยู่ในปากซ้อยเนี่ยเฮ้ยีปยุ่งเราไม่รมมมู้พูดอะไรพูดไม่ออกที่ขาดมันมาเองเหรอถ้ามันฟองไงสถานการณ์มันฟอง ฝากไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราว่าสิ่งที่เราต้องทำนี่ก็คือขัเกลาหัวใจของเยาวชนไม่ให้ขี้ขาดไม่ให้กลัวอารมณ์ตกต่ำไฟต่ำของตัวเองนับสู้ ต่อสู้กับภาวะนับสูงเอาชนะกิฤลสของตัวเอยา่าขี้ขานี่ก็เป็นอีกสงครามเลยในช่วงสิบวันอันประเสริฐก็คงเป็นสงครามยิ่งเหนะที่เราต้องเอาชนะในสงครามที่เราต้องมีกับกิเลสกับเชืตอนกับสิ่งอวัยวกทั้งหลายที่ศัตรูศัตรูของศีลธรรมและคุณธรรมเขามุ่งที่จะ เผยแพร่ให้พวกเราเนี่ได้บริโภคเพราะนี่คือนี่คือไวรัสที่แท้จริงที่มันระบาดอยู่ในขณะนี้ขอบคุณพระเจ้า